เรื่อบินธบัตอะไรก็ให้ระมัดระวังรักษากุณียามารยาทนะยาจุงจีมห้าทําแบบปิดุบปุบปเหมือนจะเขาจะวิ่งจะเหาะเหินเดินฟ้าไปไหนนั่นมันดูไม่ได้นะผมดูโอ้เพื่อนบินธบาตเนี่ยเตือนหลายครั้งนะหนมารียบมาด่วนอะไรกับผมผมอย่งมาเมื่อไรผมก็มาจะไปเมื่อไรก็มาผมก็ไปของผมผมไม่ได้เร่งให้หมู่เพื่อนเป็นแต่ว่าไปตามเวลาที่เคยบอกนั่นนั่นเวลานั้นเป็นเวลาที่เหมาะแล้ว เช่นอย่างทุกวันนี้หกโมงเช้าก็พอออกหกโมงคึ่งก็พอแล้วพอออกดูไอที่พอพอพอพอสว่างเป็นวันใหม่จากนั้นหลับไปถึงอีกหนึ่งชั่วโมงก็ออกบินสบาดสายแรกนั่นก็เคยพูดแล้วเพราะตอนนี้เรื่องตุ้ดนงวัดก็ไม่ค่อยตายนัะท่านเป็นหน้าฝนเราก็ขยับขยายออกไปอีกเวลาเวลาเพราะคิดอยู่ตลอดเวลานี่ไม่ได้ทาแบบไม่คิดนะอันนี้มันถึงได้หนักใจกระหมูเพื่อนเห็นอะไรถามอะไรมันไม่ค่อยได้เรื่องเใดๆเพราะไม่ใช่หัว มันใช่แต่เท้าแตปีนเหยียบไปดะไปเลยดะไปเลยมันไม่ได้ใช่หัวคิดปัญญามันคึอหนักใจเทามอะไร้ต้องติดแหละมันพอที่จะเต่ามามันไม่น่ามันมันไม่น่าจะติดก็เป็นแล้วยุ่งไปหยุดกว่าจะได้ความมาแต่ละอย่างละอย่างนี้่มันใช่หัวเลยทําไงมันทําให้ท้อใจถึงเรื่องการแก้ขีเลียมนะ พราะได้เคยใช้มาแล้วเนี่ยใช้หัวกับกิเลสจะไม่ใช่หัวคิดปัญญาอย่างที่เราใช้นะมันหัว ป, ปัญญาอยู่นี่ปัญญาการฆ่ากิเลสไม่ใช่ปัญญาขึ้นอยู่สมองนะอืตั้งแต่จินเริ่มเป็นสมาธิไปแล้วจะไม่มีมายุ่มกันเกับสมองว่าสมองทงาอํางานยังไสมองทํางานนี้สมองมัน ม, มีแต่ความจำเท่านั้นแหละมันทื่อเมื่อจดจำแรงมากทื่ออย่างนราเรียนหนังสือนี่เรียนมีแต่ความอยากมีแต่ความกําลังและความอยากเต็มสมองแต่ขั้นเรียนไปเรียนไปมันไม่จํา เรียนมากเขามากเข้ามันสมองถือหมดนั่นความจําขึ้นสมองถ้าเป็นเรื่องของสมาธิแล้วจะไม่ขึ้นนะสงบอ ย, ยูย่ตรงนี้เย็นอยู่ตรงนี้ถ้าปัญญาแล้วก็ไม่ขึ้นจะหมุนอยู่ทีทท่อยู่ ท, ท, ทยยี่อยู่ตรงนี้ตรงนี้เห็นชัดๆทองไสก็บฟองใสอยู่ตรงนี้เอสงบเย็นก็เย็นอยู่ตรงนี้ทองใสมากน้อยเพียงไรอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ตรงนี้นั่นมันไม่ได้มาอยู่สมองนะมันไม่ได้ขึ้นแต่มันเห็นชัดๆกันทีนันนปฏิบัติเพราะเป็นสิ่งที่จะ รู้ด้ยตัวเองแท้ๆการปฏิบัติตอนนี้อันในเป็นสัญญาสัญญาทํางานอยู่ที่ไหนปัญญาทํางานที่ไหนมันรู้เองนี่นะเมื่อถึงท่านเนี้ยนี่ก่รู้สึกว่ามันกําลังวังชามก่อนนั่นมันไ่าจะเล่น ก, กับอะไรนะตับแขกกับคนกับพระกับยืดเนียนอพอเลยเวลาแล้วไม่ให้ใครไปยุ่มมันหมอกนะ แต่มันก็เป็นไปไม่ได้เมื่อความจําเป็นมีอยู่เราก็ต้องปฏิบัติไปตามความจําเป็นเพราะนั่นจึงได้รับแขกรับคนตามการเวลาที่จะรุ่งควรว่าจะควรนับก็อรับไปทั้งๆที่ทนเอานนัเนี่ยแต่ธรรมดาแล้วมันไม่ได้ยุ่งกับอะไรเลยนะอยู่คนเดียวทั้งวันนั่นเป็นความเหมาะสมแล้วกับถาดขันนั้นี้มีเท่านั้นมันยุ่งกับอะไรหาอะไรกัรอะไรมันไม่ได้ยุ่งขี้เกียจมันขี้เกียจยุ่งนะคือมีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องมันเหมือนกับมีภาระเพิ่มกไปเล้ว น้ำหนักกรแสดงว่ามีเพิ่มเข้ามาอีกแล้วแบกอีกในขันนี่พนพอดีแล้วแล้วมีเรื่องนั้นมาเรื่องนั้นนี่เป็นภาระเข้นมาอีกแบกอีกไปเรื่องเกี่ยวข้องกับผู้กับคนแนะนําส่งอนนี่ปฏิฐานต้อนรับมันเป็นเรื่องเพิ่มเรื่องเพิ่มเรื่องเพิ่มภาระให้แบกให้ทำนั่นมันเหนือะมันเหนื่อยวันจริงหลบเรื่อยเห็นแขกมาคนมาหลบ น, นี้นั้นลบนี้นี่มันนักเป็นอยะไรเนี่ยแต่ความมันก็ไม่เป็นเพราเวลามันแก่มามันก็เป็นของมัน มันนักรู้ในตัวนี้มันมาพูดจะพูดทุกแง่ทุกมุมมันไม่เหมาะหนึ่งมันไม่น่าพูดหนึ่งแล้วพูดออกมามันไม่ตรงกาบความจริงที่มันเป็นอย่ในหัวใจนั้นหนึ่งนี่มันมีหลายแง่ที่จะไม่พูดบ้งทีมันเป็นในหัวใจนั้นแหะรู้อยู่เปียกตรงนี้โถ นอนันโวราคนบุเทศนอนบบว่าคนเทิดฮ่าฮบเลยแล้เทิดทูลที่สุดเรื่องความภาคเพียรจิตภาวนาตามหลักศาสดาที่สอนไว้เพื่อความพ้นทุกข์เราจึงเทิดทูลที่สุดไม่ให้อะไรมาแตะ ไม่อะไรมาทำลายถ้าไม่จำเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราจรึงสงวนหมู่เพื่อนให้ประกอบความภาคเปลี่ยนว่าหัวใจเรากมก็เห็นบุญค่าอันนี้อยู่แล้วเด่นอยู่ในหัวใจเราจะเอาอะไรนั้นมาสิ่งนั้นขี้มูราขี้มาแห้งเข้ามาเหยียบย่ําทำลายสิ่งที่ประเสริฐเลิศเลยละ่ะการประกอบความภาคเปียนเป็นเรื่องประเสริฐเลิศเลยที่เจ้าค้นทุกข์จากเพราะการประกอบความภาคเปี่ยนโดยนคุกม น, น้องสมรมีพภอวนาสาวกทั้งหลายเป็นอย่างนั้นสาารน้างขรฉมีกงพ่อเราเป็นอย่างนั้น ไม่ได้ว่ามันกุฏิหลังนั้นเจดีย์อันนี้วิหารอันนั้นโบสถ์หลังนี้ฉะนั้นก็ถามีที่นะั่นนั้นเป็นเครื่องใช้สอยมันควรจําเป็นมากน้อยเพียงไรเราก็ไม่พิเสษแต่อย่าให้มันพิเศษยิ่งกว่าการเหล่านี้ก็พอเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างั้นนะอะมันพิเศษยิ่งกว่าสิ่งที่ควรพิเศษไหนที่ไห น, ไหนมี่ในเรื่องก่อนรื่งสร้างยุ่งไปหมดกลายเป็นพระควรบ้านกวรเมือง พบเขาก็มาได้แล้วพาจะเอาห้าเอาสิบกับเขาโออมันหน้าทุเรศนะเรายังไม่ดูที่เหลือเราหัวร้อนๆนี่น่ะพ้าไม่คิดใครจะคิดเรื่องเท่านี้คิดไม่ได้มันจะคิดค่ากิดเลสได้ยังไงมันจะยากนี่นะอะไรเกิดมาก็าเป็นด้วยความบริสุทธิ์ให้เขาได้ให้ด้วยความเรื่องใจนั่นแหละมันถูกจุดเราก็เหมือนกันกับเขาเขาเหมือ น, นกับเราถ้าให้เราให้ด้วยความเรื่องใจ ย่าให้โดยกันถูกบีบถูกบังคับด้วยหาเล่หาเหลี่ยมอะไรๆแบบโลกมันก็ยากกว่าโลกสิเดินอะมันจะเหนื่อยมันเป็นยังไงลองรูสิทางานเขาทํางานทั้งโลกทั้งศาลเขาทาเกือบเป็นกับตายนะแทบเป็นแทบตายกว่าจะได้มารับทานเอามาใส่บาตรทำบุญได้ทานงานของเขาหนักจริงนะแล้วงานของเรามันเป็นยังไง มันมีแต่หนักด้วยความที่เกียจขี่ขันหนักอยู่กับเสือกับหมอนไม่ได้หนักอยู่กับเดินโยกมุมนั่งทำที่ภาวนาเดินโยกมมก็ไม่พอที่จะหน่วยเราจะเอาลายไม้ที่เหล็กมันหนังะลอกบ้างถ้าที่เหล็ดมีหนังหนังที่เล็กมันก็เหมือนหนังเราเนี่ยเรากู้ได้หนังเราถลอกหนังที่เดล็กก็มาถลอกละสิเดี๋ยวนะไม่ได้เหนื่อยลอาดูเป็นยังไง นั่งก็ให้มันได้เหนื่อยได้เจ็บได้ปวดลองดูว่านี่เราทำงานน่ะกายเลยรู้ว่าอ๋องานนี่หนักวันนี้ได้ทุ่มอย่างนี้นี่งานหนักวันนี้เออกายไมันได้รู้เรื่องบ้างทีน่นี่มันมาได้เรื่องอะไร ดูที่ในต ำ, นตำลักตำลาอะไรเด่นในต ำ, นตำลักสนาท่านสอนไว้มีแต่เรื่องภาวนานะเด่นไม่ได้มีเรื่องการก่อการสร้างยุ่งเหยิงวุ่นวายกับญาติกับโยมเป็นงานใหญ่นะอืเป็นงานเด่นนะเด่นในเรื่องเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาระหว่างพระกรรมฐ า, านพระผู้ปฏิบัติมาเจอกันคุยกันจะเรื่องอัดเรื่องทำท่านอธิบายสั้ น, นว่าอ การเล่นนาธรรมศาสตร์กระฉาเอตตมังขรมุตมังคือสนทนาธรรมะการตามการตามเวลาท่านท่านสนใจอย่างนั้นนั่นแหละท่านแบาเอตตมังขรมุตมังเป็นมงคลไม่ไดคุยการบ้านการเมืองการได้การเสียการซื้อการขายการหญิงการชายการหนุ่มการสาวโทรทัศน์วิดีโออย่างนี้นะนี่มันเรื่องทําลายศาสนามันไม่ได้พูดอย่างนี้ ท่า น, นพูดเป็นยังไงไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงนั่นภาวนาดีไหมท่านมีเรื่องราวอะไรท่านก็สนทนากันเป็นสิริมงคลเป็นคติแก่กันและกันองค์นั้นพูดออกมาก็น่าฟังองค์นี้พูดออกไปก็น่าฟังต่างโอนต่างได้คติจากกันมีอย่างนั้น่ะในหลักําหรับกตำร า, าท่านแสดงว่าอย่างนั้นไม่ได้มาอุตริพูดให้หมู่เพื่อนฟังเฉยนะก่อนเรียนเนี่ยทำไมมันจะไม่เห็นองค์นั้นไปเขานั้นนนันไปป่านั่นี่ ทำนั้นนะพูดกันมีแต่เรื่องอัานเรื่องทำเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องสตาความภาคความเพี่ยนเป็นปอย่างงั้นนะอันนี้มันน่มีเจอหน้ากันเปน็นยังไงเสร็จแล้วยังบสถเสร็จแล้วยังสละอันนั้นเสร็จแล้วยังอันนั้นเสร็จแล้วยังอันน้นู่นงไปะเอาในที่ไม่ขันไหนกี่ว่าโบสถพระพุทธเจ้าท่านสอนในที่ตรงไหนนะนี่เขาเรียนเหมือนกัน วิเศษอะไร น, ะนั้นนายิ่งต้องได้ทุ่มกันกันขนาดนั้นให้ดดอเดือดร้อนไปทั้งบ้านทั้งเมืองเป็นกายเป็นพระบนบ้านคุณนี้วิเศษอะไรเอาว่ามาสิเห็นอยู่นี่ห่ะคําพีเดียวกันนี่เราไม่ได้พูดประมาทสีมาเทานั้นสีมาทนนมาทนี่ฉันก็บอกไว้หมดแล้วทําอะไรจะให้รู้หรล ะ, ละั้นนั่ น, น, นมีเชื่อไหอ ไม่ได้ดูก็มาพูดอย่างนี้มันก็เป็นอีอย่างหนึ่ง น, นี่ได้ดูจริงๆพูดมาจากการดูการเห็นในตำลักตำลาแล้วถึงมาพูดนี่นะนะคําพีเดียวกันมาตกตากันได้ยังไงเห็นอยู่นี่รู้อยู่นี่อะไรสําคัญอะไรไม่สําคัญไปที่ไหนสร้างยุ่งกันหมดถื อ, อมีเสียมีโสด้วยเบื่อไม้ด้วย อิด้วยปูนด้วหินด้วยทายยิ่งกว่าทำนี่นะแล้วการบินถบาตก็อย่ารีบอย่าด่วนนะอย่ามาัเป็นอารมณ์กับผมผมก็ทราบว่าหมู่เพื่อนไปบินถบาตหมู่เพื่อนทําไมจะไม่ทราบว่าผมบินถบ า, ชาตช้าเล็กเดียวก็เรื่องของผมหมู่เพื่อนก็ให้ไปด้วยความสวยงามให้เป็นที่น่าดูนะอย่าลุกรี้ลุกลน ดูไม่ได้ไอผู้ที่เกี่ยวข้องกับผมกับมันกันที่รับบาตรับอะไรนี่เหมือนกันให้มากระหม่อกับเพื่อนสะดวกสบายกระหม่กับเพื่อนอย่ามาเป็นกังวลกับผมมาด้วยความสวยงามมาด้วยความคารวมาด้วยความพอเหมาะผอสมการเจตนาต่อครูบาอาจารย์นั้นก็ทูก็เห็นใจในส่วนหนึ่งแต่ว่าเรานี i เราทําเพื่อหมู่เพื่อนะให้สวยงามบินสบายให้สวยงามมาเริ่มดับตั้งแต่องค์แรกถึงองค์สุดท้ายสามมันเหนื่ไม่น้อยออกมา ให้เรียบมาโดยลํำดับเราต้องการอย่างนั้นเราแม่มา ล, ล, ลุกเดินเพื่อเราคนเดียวไม่เอาไม่ถูกแต่เราเองไม่เห็นปเป็นรุ่รีบรวนอะไรเราก็ไปของเราเองเราไปานี้เราสะดวกสาหรับเราเองเราฉะนั้นเราจรึงไม่ให้ใครไปด้วยนิสัยเรามันเป็นอย่างนั้นเราก็บอกนิสัยเราเป็นอย่างนี้นี่เราไม่ได้สิเศษวิโสอะไรแหละแต่มันไปตามนิสัยเห็นว่าเหมาะกับจริตนิสยัยตัวเองนี่เคยใช้มาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเดินไปเนี่ยพิจารณาอยู่ในนี่ จะให้ผมพูดอะไรกอ่ะแล้วมันจะเป็นการอวดอีกนะฮะแล้วมันพูดยากนี่นะมันเป็นอยู่ในนี้ไปคนเดียวมันบทพิจารณาบางทีมีเงื่อนมีอะไรมันมันต้อเป็นขมันเองอะไรนี่พูดทําไม่เป็นหัวใจแล้วมันพูดยากนะถ้ามันเป็นแล้วมันพูดได้แหละไม่ว่าใครแหละอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นเดินไป อิ่มทำงานทำงานด้วยอาจจะโดยทำไม่ทำงานไปฟุงฟ้งเฟ้อเห่เหมือเด็กเขาะไรเป็นอย่งนั้นอ่ะหลวงพ่อแม่ครูอาจารย์นั่นเป็นอีกอย่างหนึ่งของท่านเวลาไปกระหม่อมกั่อนนั่นท่านชิดของท่านอีกหนึ่ง น, นี่ยันเตือนหมู่เพน่อนเอาไว้หมู่เพื่อนจะไม่เข้าใจความหมายท่านเราพิจารณาตะเกียรตะกาตามท่านได้ขนาดไหนเราก็ไเตือนหนึ่เพื่อนเวลาเราไม่อยู่ ไปเที่ยวเป็นบางการมาเวลาฮะท่านขนาดนี้รเรแล้วก็ใครไปอยู่ติดกับท่านให้ระวังบอกท่านพูดอะไรอะไรท่านถามมานิย่ากราบเยียนท่านหนาแล้วมันเป็นเรื่องสัมผัสสัมพัน์ของธรรมท่านมาหาเราท่านเกียดมานี่ท่านก็ถามซะเราท่านก็ผ่านไปเรื่องบางทีมาเกลียดกับเราแล้วท่านก็ถามเฮ้อย่างนั้นน่าใช่ไหมนี่แล้วท่านก็ผ่านไปหากว่าท่านจะถามมีจริ ง, รงแล้วใครๆก็รู้วู่ะเป็ยากอะไรอย่า ท่านถามคำถามเมื่กี้จอถามเมื่อกี้ท่านจะตอบก็ตอบด้วยความจําเป็นนิดหนึงเท่านั้นมากไม่มากหลังจากนั้นท่านก็เรื่องของท่านไปล่ะอืเห็นสัตว์ท่านพูดเรื่องสัตเห็นวัวพูดเรื่องวัวเห็นหมาพูดเรื่องหมาเห็นหมูพูดเรื่องหมูเห็นเด็กพูดเรื่องเด็กเห็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยท่านก็พูดเรื่องนี้แมีแต่ธรรมของท่านทั้งนั้นที่ออกจากหัวใจนี่อันนั้นเป็นเครื่องประกอบประกอบประกอบนานฟังสิอ่านมีแต่ธรรมเท่านั้น มันไม่เป็นในหัวใจมันของไม่รู้อุว่าอะไรบางรายก็จะเข้าใจว่าท่านพูดไปสุงมสี่สุ่านั่นสิบางทีท่านถามมาก็ตอบไปเลยแล้วก็มันก็เสียัึงอย่างนี้บางทีท่านพูดท่านถามไปปั๊บตอบมาปุ๊บท่านนิ่งเลยเนี่ยมันสะดุดกึกทันท่านก็ดุดเดียเรื่องของท่านท่าก็ไปท่านแล้วก็ท่านก็ผ่านไปทำมาท่านไปเกียดไปตรงไหนได้ ถามไปแล้วพอเป็นพิธีที่เรื่องเก่ยกับผ่านน้นบ้านไปนั่นเป็นความจริงนีส่สายของพระแม่จนันทร์ท่านเป็น อ, อย่างนั้นท่านจะพูดทุกท่านไปเรื่อยเป็นธรรมอันนั่นเป็นเป็นเครื่องประกอบกับธรรมท่านที่สันชิดภายในนี้ท่านพูดเป็นคตินี่นะเอมไม่ใช่ไม่เป็นคติพูดเรื่องอะไรก็ตามเป็นคติคติพอที่พูดข้างหลังจะได้ยินชัดชัดชั ด, ชด ก็แตกอยู่นั่นแหะไม่ซ้ำนะท่านพูดนะเรื่องอ่านเรื่องทำภายในใจไม่ซ้ำมีเ น, นื่องแปลกกันไปปีกย่อยไปอนนี้ไปแล้วนะัน้นนี้ไปนะี้ไปเรื่อยๆฟังเราสนุกฟังอุบายสติปัปญญาท่านที่สแสดงออกไปอิที่เป็นธรรมล้วนๆแล้วพูดมีแต่เรื่องธรรมล้วนๆพูดออกมาน่าฟังนะเป็นไปเห็นเด็กก็พูดเรื่องเด็ก มันเป็นธรรมะหนึ่งประจําเด็กนั่นแหละเป็นหมูก็พูดเรื่องหมูเป็นธรรมะหนึ่งประจําลูกวัวลูกเนื้อะไรอย่างที่เขียนไว้ในประวัติท่านแหละเขาเขียนไว้ย่อยๆนั่นน่ะเป็นย่อยๆให้ให้รู้ว่าท่านชอบจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเรามาพูดพอเป็นหลักนี้หน่อยส่วนท่านเป็นอยู่ทุกวันตามมีสายของท่านมีรบาดท่านต้อง พูดท่านไปเรื่อยไม่สนใจใครนะเราสนุกฟังคอยจับเอาเรื่อนยังต่างๆเพราะท่านพูดนี้มันมีเงื่อนที่สอนเป็นคติคติได้เยอะบางทีเราอบคบขันว่าอะไรยังมีท่านพูดทัศตีขึ้นมางกรอย่างนี้ แล้วท่านตีย้อนหลังมาครับพวกเราท้างหลังท่านเอาสัตว์ตัว น, นั้นเป็นเหตท่านตีขึ้นมาย้อนหลัง เ, เป็นพระติสอนพวกเราเนี่ยือตอนที่หมาแตก น, นะไอหมาดำกันนี่ที่มันฝังลึกนะสำหรับผมหมาดำนั้นมันก็มาปุ่นเปื้อนกันทุกวันน่คือเป็นบินทบาทเขาไม่มาตามส่งแล้วพวกนั้นนะ มีอะไรก็ใส่บาทแล้วท่านก็ให้พรเขาแค เ, เป็นจุดเป็นจุดมีมีล้านล้านของท่านเล็กๆเป็นอันนี้แล้วกพปะอะไรเป็นแถวให้ก่อนหากว่าท่านจะพูดตับมันบ้างท่านก็ไม่ได้พูดอย่างนั้นอุกมาตานั้นนะวันนั้ น, นแบบแืบ หมาตัวนั้นมันมาเดินปนเปลี่ยนมันเป็นไอ้ดำเมึมันเหยะจะเผากูได้มึงอี้เหยาะจะเาดมันปูนเป็นเปลนมันวางกันมันกมาหากินดำก็มดาแล้ทุกวันทำไม่ได้วางนั่นะมันก็มาเองกูวันเลหมาตัวงของบ้านมันก็ยู่นีนี่บ้านมันมันก็ยู่หนาบ้าน มันเงียวยงได้มาเป็นบักดำเมมันเงียวยังเาได้มึงน่ะวางเงีนะเดี๋ยวมันเงียวยังเากุน่นะมงี้ยรายมันนะแล้วก็จับจูปุ๊บเลยแล้วก็พราะท่านไม่เคยผูกกับมันเถอยิมันยังไหมามันไังจะเผาผมก็หมด่แล้วก็ตั้งขอบินี้ใช้ดล่ะตั้งตีมันยังมันเงียวนะเพราะทุบนมันไม่ได้างอ่ะว่าบักดเงี้นมันเงียวได้เผาได้มึงน่ะ มึงเหนเี้ยจะเผด้วว่าอีละสองซ้ำเนี่ยมันก็เดินถนะพ่อพนพนนงแรา้วเแต่มันยังเป็นรับบากเป็นองค์นั่นแหละนงเราพ่อหนังมากแดำมันก็เบื่อไปมาหน่อยหนึ่งก็มาหันดีมาหัมันใส่สีใส่เป็นแม่ป่บอกแล้วที่บดำนี่สิมันหัาคิดเอามากไหมูบอกแล้วที่แกบกดำมันมึงบ่ฟังมึงส่นตัวนี่สิ แล้วต่อไปมันก็มานกีนละเพื่อนก็เพเ่อนมาพราว่าแค่มือเดียวนั่นแลมันเงียวอีดีน่ะเนี่ยมันสำคัญเลยเดียมันหนาคิดเลยก็ไปวินทบาทยินท่ายคิดดูดิเม่คืเื่อคยไปพูดเรื่องเงียบกูหน้างันนี่ก็พูดธรรมดาก็บึกดำเหมือนกับพูดกับซัตัวมื่อคนแต่คนลาแบบละแบบไปเขาบึกดำเก็พูดมือนึ่งไปแบบหนึ่งมือนึ่งไปแบบหนึ่งมันมือนั่นแหะมัาบกดำไม่เงียบกข่าวกได้นี่ไมงีย เที่ยวไปเที่ยเนี่ยเบืองเนี่ยมันเป็นลักษณะเมื่อเิ่นป็นลูกแล้วเนี่ยมันยังกรากูด้วยวาก็ับทั้งเนี่ยแล้วก็ตับแผลหมาัวเน่ยเนี่ยได้ฝ่ากูมือผมเป็นหว่องจนะมือน้งมาหว่อนี่น้องนนี่มันไหล่ไหล่ไหล่ยกขาขึ้นฝ่าเท้าแนี่ยคุ้มเลยมันดำาเต็ บอกรึงบฟังันเหยจจียดได้จนได้เลฟาดไปตัว่าแล้งก้าบุแล้วผ่าเนี่ยดแล้วอ้แจริอุ๊อจารย์ลายอย่างเลยพ่าแม่อาจารย์เรื่องประกิาบิชานี่อ้ยสำคัญพอเล่าตัวดื้อเหรอผมเนี่ยดื้อหาเหตุหาผลหาความจริง โดนแล้ว่น่นนันโดนรุนละมันท่านเว้ว่าท่านคนขี่ดื่มไว้ว่าไครมาอะไรกันน้นงายไปแล้วงอนอากาศโอ้โหเฮ้ยเป็นไงละ่ะท่านอะไรพัดหรืออะไรลืมแล้วล่ะฟังเทศเป็นไงละ่ะวันนี้ล่ะคือจะดีครับผมฮะ กินเป็นยไงเวลาทังเทศมันก็หรูเปล่านางที่มันมันเมื่อยเป็นเนี่ยถ้ามีโรคหัวใจแล้วมันก็กระเทือนปุ้งเข้าไปเลยแต่ระยะต้องไปกวดฝีร่านมานี่ก็ดูว่าได้ผลดีอยู่แต่มันมีอันหนึ่งที่มันบัดเป็นบัดเยื่อดๆเนี่ยหมอก็ว่าไม่มียายอะเกี่ยวกับหวัดกวอานี่มันไปแพ้อะไรเราเนาะายหลวงท่านก็ทรงเป็นห่วงเราพี่ แต่ภาษาขงเราภาษาตลาดก็เรียกว่าโอ้เราก็เห็นใจท่านเหมือนกันท่านก็ทรงห่วงใหยก็คงจะคิดเหมือนกับเรานั่นแหละไม่ว่าใครหรอกความคิดนี่ก็คงจะเหมือนเหมือนเราเนี่อวอาจารย์องค์นั่นก็ตายไปองค์นี้ตายไปหมดไปหมดไปเนี่ยเร็วๆหลังๆนั่งก่อนหน้านะไม่กี่วันก็เผาศพลงอู่แหวนนี่กสบสบ็สุดๆดอนดอนท่านก็คงทรงทราบเรื่องราวของเรา ประเทศที่จะเพาะ อ, อย่างยิ่งกว่าเทศสีลาดเทศสีร า, รามันเทศหลายกันนี่นะสามกันสี่กันนี่กับเพาะกรสูงสานั่นแหละมันจะเป็นอะไรไปแล้วกับเพาะ อ, อันนึงก็ต้องการจะเครื่องจับนี้เวลาเทศไปแล้วมันจะแสดงอาการอะไรหัวใจเราเครื่องจับเขจะบอกในขณะที่เทศที่อันนึง่งลำใหญ่ของเราก็อยู่กับ เพื่อความเข้าใจในอริยธรรมของผู้ฟังทั้งหลายนั่นแหละเราก็ได้ตั้งใจเทศจริงๆถึงจะไม่เพริดร้อนมากก็เป็นธรรมที่จะให้เข้าใจโดยไม่ต้องสงสัยแหละว่าจะเป็นประโยชน์อยู่มากมายเราจึงได้ตั้งใจเทศให้ฟังนี่ก็ค ง, งจะองเป็นห่วงเรื่องเรื่องเหล่านี้เลยถ้าภาษาเราก็เรียกว่าท่านขู่เอาไว้ไม่ให้ใครเข้ามายุ่งนัก เกินแม่ใคยุ่งเกินไปเป็นอะรที่ว่าห้ามแม่าจะามาบวชแสดงธรรมรับสั่งมาจากพัฒนักภูพิงนี่ก็เป็นเหมือนก็บบขู่เอาไว้ไม่ให้เข้ามายุ่งอุ่นวายจนเกินไปความหมว่างนั้นเมื่อเมื่อประชาชนทั้หลายทราบเรื่องราวของพระองค์แล้วก็ก็จะสงบลงความหมายก็ว่ามั น, นไม่ใช่อะไร เราก็สงสารมออุทัยเหมือนกันอันนี้เราก็ได้พูดก่อนหน้านั้นแล้วอคุณมออุทัยนี่ก็รักษาเรานี้รักษาในฐานะลูกศิกวอาจารย์รักษาด้วยความเคารพร่วมใส่ด้วยความเต็มอกจนใจเต็มที่นะวะไม่มีข้อบกพร่องอะไรเลยแต่ยังไงก็คงไม่พ้นความหนักใจความเป็นอารมณ์ของใจจนได้เนีวว่ยเราอะเพราะมันมีหลายด้านหลายทางเดี๋ยวกับประชาชน ที่ถามเข้าไปโทรศัพท์นะแท่จะไม่ได้วางหุนฟังสินั่นถามมาแล้วนนี้นถามมานอกจากกรุงเทพแล้วยังต่างจังหวดัดอีกถามเข้าไปถามออกไปจนพยาบาลพวกหมออะไรๆนีาาน่งงกันสงสัยถามกันยุ่งไปหมดเกี่ยวเรื่องของเรานี่อันหนึ่งอันหนึ่งก็เกี่ยวกับขั้มสองพระองค์ด้วยนี่อันหนึ่งเราที่ได้พูดว่า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 แน่นทุวนดังนั้นเ ร, เราที่เคยเห็นแล้วเราว่าไม่มากแต่แสดงว่าเขาเกรงอกเกรงใจบรรดาศรัทธาทั้งหลายก็เกรงอกเกรงใจเจ้าของถิ่นคือคลินิกกลัวจะ ม, มีที่พักที่นั่งบ้างอะไรบ้างกลัวจะต้อนรับขับสู่ลําบากบ้างอะไรก็มีความเกรงใจก็ไปก็แบบว่าไปแบบฉเฉมเคียมแต่ที่นั่นมันไม่เขียมมลยพี่เพราะไม่เคยเห็นคนมากขนาดนั้น สำหรับเราเราเคยเห็นท cool pues, ี realms, nada, sì <man <man ่อื่นอื่นนั้นมากกว่านั้นเป็นอย่างอยู่สวนแสงธรรอยู่หูแน่นจนรถหาที่จอดไม่ได้ไปที่นี่มันไม่ได้ขนาดนั้นก็มากเพราะมันก็แคบนี่นี่อันหนึ่งอันหนึ่งก็โทรศัพท์มาถามหนึ่งสามทุ่มสี่ทุ่มยังโทรมาถามเลยไม่ว่าแต่กลางวันนี่นี่หนึ่งเราก็อดคิดมาได้แล้วก็อดพูดไม่ได้ พอตวนจะจะกลับมานี่ก็มโหสถยกพูดมาแบบที่เราคิดไว้นั่นเป็นพยานได้เป็นอย่างดีดนี่ถ้าท่านอาจารย์เป็นอะไรไปนี่ผมต้องตายแน่ๆเลยห น, นังออกออกแล้วที่นี่ถ้าท่านอาจารย์เป็นอะไรไปผมต้องตายแน่ๆเลยก็เพราะมันเกี่ยวกันหมดผล ก, ก็เป็นห่วงเป็นใ ย, ยว่าก็ถือว่าเป็นค ร, าารูเป็นอาจารย์ ใครก็ถามมาถามมาถามมาเนี่ยหลาเรื่องมันก็เป็นยังไงคือเรื่องมันเกี่ยวโยงกันจะไม่เป็นกันวงวลยังไงแต่อยู่ที่นั่นก่อนั่งภาวนาได้มากกว่าเราอยู่ที่วัด น, นะเพราะจะว่าอากาศก็หรือพื้ที่อะไร น, นั่นเองเราก็มักจะว่าอากาศกรุงเทพนะ่ะดีกว่าทางนี้มากมาย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 เจ้าของมันนเป็นมันนั่งนั่งนี่ไม่ถึงชั่วโมงอะปรากฏว่ามันเป็นอะไรให้รู้ในนี่ยแล้วสุดท้ายเวลาเราจะลุกออกมานี่เอาออกไม่ได้ขานี่ยนะจะต้องได้จับขานี่ออกมานี่แล้วไม่ได้ถึงชั่วโมงนะนี่แหละมันผิดกันเอาขนาดนี้คือทา้งนี้อากาศมันหยาบมากอ่ะมันขัดมันเจ็บมันปวดหมดหลังนี่เหมือนมันจะขาดแล้วอันนี้ขานี่ก็เหมือนกันมันเลยไม่ทางาน เวลาจะเหยียดออกเหยียดไม่ได้มันตายแล้วเลยต้องได้จับออกวางอแค่ไม่ถึงชั่วโมงมันจะได้วางอะไรธรรมดาอันนี้มันเป็นเนี่ยกุฏิผมเนี่ยนั่งภาวนาข้างในจับขาดออกวางอยู่นั่นไม่มีอะไรนี่ธรรมดาธรรมดาเพราะปกติการนั่งภาวนาเราแม้จะแก่มาแล้วก็ตา ม, ตา ม, ต, ามตามธรรมดาผมจะนั่งเป็นชั่วโมงชั่วโมง ระหว่างคันก็ปิดเป็นความสะดวกสบายต่อกันด้วยการภาวนานลรวก็ทำของเรางนี่ยแต่แตก่อนถึงนั่นไม่ต้องพูดแล้วตั้งแต่ประกอบความเพียรสู้กิเลสนี่นั่นไม่ต้องพูดแล้ว <S <S 2> <S 2> นอกจากเราจะถือวนเวลาไว้ <S <S เพื่อกลางคืนมันเดินไม่ได้มันหนาวมากอันนี้กลางวันเราจะไม่นั่งนานประมาณหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นไม่ให้นาน แล้วลงเดินจงกรมจะให้มากที่สุดกลางวันพอกลางคืนมามันหนาวหนาวเข้าหนาวเขาจกนกระทั่งก้าวขาไม่ออกนะหนาวมากๆนี่ก้าวขาไม่ออกจริงแข็งไปหมดเลยนั่นต้องเข้าแลนะ้วนั่นน้ําค้างนี่นะเที่ยงสามทุ่มเริ่มแล้วนะน้าค้างมันตกจากใบไม้ปรบปรบปรบปรบปรบปร บ, ป บ, ป บ, ปบพอถึงสว่างนะีโอ้โหเหมือนหาฝนเทยนะแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มี เนี่ยเมื่อเวลามันมันหนาวมากๆงั้นเราเดินยังกดไม่ได้นี่ตัวแข็งหมดเลยนะกาวขาไม่ออกแล้วผ้านี่ก็เหมือนน้ำเย็นนี่นั่นละเราได้ใช้ียบุตรนั่งมากนะนั่นะ่ะเพราะฉะนั้นตอนกลางวันเราึต้องใช้เดินให้มากให้มันพอกันอย่างนั้นเราถึงจะนั่งเพียงชัง่วโมงถ้าธรรมดาเราโอ้โหอย่างน้อยตกลางวันนี้ตั้งสองชั่วโมงขึ้นไป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 เดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเป็นคนโลโลกแล้วคิด <ś c oughs> ดูนั่งไม่ถึงชั่วโมงไม่จะจับขาต้องออกวางมันตายแล้วเนี่ยยิ่งไปยิ่งอยูนี่ น, นั่งไม่ได้แล้วยิ่งร้อนร้อนนี่โอ้โหมีแต่เดินมากล่ะเข้าไปเดินอยู่ในป่านั่งไม่ได้นะมันร้อนเหงื่อแตกอช่ตั้งแต่นี่ก็ยไม่ใช่รับนะมาพักโจวข่าว ไม่ได้รับนะผมก็ยิ่งกำลังอ่อนลงอ่อนลง ใ, นใจผมนับพระเนรมากมา ย, ยางไงเรื่องของพ่อแม่ครูจารย์มั่นกับพระกำเนนทั้งหลายที่ลุงท่านอยู่นั่นนะ่ะมันกลางวานอยู่ในหัวใจผมมันเห็นได้ชัดจริงมจะไปลืมอะไรมันสลดสังเวชจะตายไป น, นี่มันก็จะเป็นแบบเดียวกันนั่นนะ่ะจะไปแบบไหนทำไมไปแบบนั้นนะ่ะเย่อยเยี่ย ง, ง, ง, ง, งนันนนนนะ่ไม่เรื่องในเล่าอะไรอย่างนั้นมันจะทะเลาะกันน่ะในเรื่องกิเลสมันออกง่ายที่สุดนะมันเหยียบหัวทำเร็วที่สุดนะอวดดีพวกกิเลสไม่ได้อวดดีพเพราะทำแต่มันก็ไม่ดีสิที่ี วัด er, so ีมันเลรวไปเร็วไปมันจะเป็นมันไม่ได้ว่าเร็วมันาจมอเหมือนจะ่อเอเดินฟ้าได้หนน่เนนหยเนยนั่นแล้วอู่ใเนยนั่นกับเนั่นเลาะตีกันมันว่าไงผมก็เลยพระเนี่ยพระเลือกมา ซักเหตุซากผนเรียบร้อยแล้วก็พระกัีไล่หนีจากทั้งสองไป อ, อย่างนั้นแล้วไว้ไม่ได้ยมเตได้ต่อยกันขนาดนั้นแล้วอู้ยฉลาดสองเห็ุเราเนี่ยมาขโมยสิ่งของในวันนี้เราก็ไม่ถือสาตอนยัเป็นเด็ก เด็กก็ถามเรื่องเรื่องการบวชขาผสมสารนั่นแหละเพราะแม่ก็หมดหวังแล้วถามแม่แลก่อนแม่หมดห ว, วังก็จะปล่อยไปตามบุญตามกรรมมันแล้วแห ล, ละหมดหวังแล้วหวันก็พูดอะไรนึงไม่ฟังเลยฟังเราอ่้เด็กนี่เราไปเปียกกรอบไอ้เดกปอนตะวันนี่เันไปเปียกก่อบถามลองดูมันจะเป็นยังไงถามมันเลยรับยินดีบวช เรื่องมันเป็นอย่างั้นนะถ้ามันจะบวชก็จะขอหลวงพ่อให้อะไอะไรกันรับหมดเ้าตัวเรื่องบุหรี่อะไรแล้วนี่ก็หยุดหมดถ้อาอยู่ก็ยอมรับบวุวชยอมรับก็บวชบวชมาก็เสียงว่าอะไรก็จะดีก็ก็เป็นไปนั่นแหละสุดท้ายมังทะเลาะกันตีกันกำเริบนั่น เสือสังเวชมากเรานี่อืยสั่งให้พระอยากมาทำเมตตาผลแล้วเราไม่ควรดูให้ไป น, นะอ่ะก็เท่านั้นแหละเราหรือท่านก็ได้ไปกันทั้งสองนะให้ผิดก่อนผิดหลังมันก็ผิดด้วยกันนั่นแหละมันยากมากเกินกว่าที่จะให้ใหอยู่เราก็ไม่เคยได้ยินมันก็มาเป็นเรื่องในบ้านของเราอืม นี่ค่ะ